الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم س ب ح ا ن ك جل عالم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم بشرى صدر ويصير م ر و َ ح ل ْ ل َ ط َ ا ِ م ن ل س ا ن ِ ي َ ف ْ ه و َ و ْ ل ي أ م ا ب َ ع د ส s a ah uh. s a l a m u a l a i k u m w a r a h m a t u l ว a h w ขอบคุณ น, นะครับตอนรับเช้าวันใหม่ด้วยกับอันอิสลามวันนี้เช้านี้นะครับเราก็มาเรียนรู้ในวิชาตัปซีรอันกุรอานนะครับเชา้ชาๆ้ามาอ่านกุรอานมาทำความเข้าใจกับเรื่องราวของอันกุรอานว่าอัลลอฮฺสุภาวะตาลาได้ทรง สั่ใช้สังห้ามอะไรกับเราบ้างนะครับผ่านดํารัดของนะของค์ลกษมณ์านทองปะตาอาลาซึ่งวิชาตับเทสนี้นะครับผมก็ได้สอนในทุกวันพุธนะครับที่ผ่านมาแต่โดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยมีการหยุดการเรียนการสอนไปนะครับก็เลยมีการไลฟ์สดเพื่อที่จะทบทวน กันไปเรื่อยๆนะครับให้เราได้เรียนกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็มาเรียนกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้ทับซีเสร็จไปแล้วจนถึงอายะที่2ี่สิวันนี้ก็มาต่ อ, อยาที่ยี่นะครับก่อนที่เราจะไปทำการทับซีดนะครับเราก็อ่านอังอาร์กันก่อนนะครับสักบางส่วนของอายะ จากสุร้อนนาซีอาตซึ่งสุร้อนนาซีอาตนนะครับหากว่าเราจำกันได้นะครับนาซีอาตเนี่ยเป็นสุร์อนมะเกียนะครับสุร้อนมะเ ก, กียก็คือสุระอนที่ถูกประทานลงมาก่อนที่ท่า น, นับีมุฮัมมัดสุลต่านอัลฮุสัลลำจะอพยพไปสู่เมืองมาดีนะนะครับเป็นสุร้อนที่อาญาจะ สั้ น, นและมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเตาฮีตการให้อกภาพต่ออวสุหังตาลาและเรื่องของวันเกียร์มานะครับนี่คือเนื้อหาหลักๆของสุรสมาเ ก, กียร์นาซีอาต น, นะครับก็คือบรรดามาลาอิกะผู้ที่กระชากวิญญาณอย่างรุนแรง <c oughs> อวสุหังหตาลาได้หยิบยกบรรดามาลาอิกะมา สาบานนะครับเป็นซุลรอที่อัลลอฮ์สุฮาห์ตลาได้หยิบยกมาอลกาถึง5กลุ่มด้วยกันมาสาบานในต้นของซุลรอนี่คือสิ่งที่แสดงถึงความประเสริฐความสำคัญของมาลาอิกะของสิ่งถูกสร้างกลุ่มหนึ่งที่มีความประเสริฐนะครับและก็เป็นสิ่งถูกสร้างที่ไม่เคยฝ่าฝืนอัลลอ์สุฮานะฮตาลาเลย นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะนำแบบฉบับของมาลาอิกานั้นมาปฏิบัติในชีวิตของเราได้นะครับเพราะว่ามวลมาลาอิกาทั้งหลายนั้นเป็นกลุ่มชนที่ดีงามเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮุ سبحانه ละสร้างมาเพื่อที่จะเป็นบริวารรับใช้อัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และ ت ع และเป็นบริวารที่ซื่อสัตย์นะครับไม่เคยบิดพลิ้วในสัญญาไม่เคยละเลยและเพิกเฉยต่ออา ม, มานะที่อัลลอสุฮาห์นาตาลาได้ให้ไว้กับพวกท่านเลยและมูมวลมาไลากานั้นนะครับมีจำนวนมากมายไม่มีใครรู้จำนวนที่แท้จริงนอกจากอัลลอสุบฮานหตาลาเราได้พูดถึงสุระนี้นะครับถึงมาไลากา หน้าทีก่การงานต่างๆของบรรดามาลาอีกะนะครับหนึ่งในนั้นที่ได้พูดไปก็คื อ, อ, ท, อ, อนะคท่านอิสราฟินนะครับท่านอิสราฟีนที่มีการโปรตีสังนะวันเกียมร์มาเทอรอสุบพานหัวตาลาได้บอกได้ตัดเอาไว้นะครับในสุรนี้ว่าเย้ามัตรจุฟุรราติฟะตัดบ้าอุฮร์ราติฟะ ในในวันเกียรตินั้นจะมีการเป่าแตรนะครับเป่าแตรที่มีลักษณะเหมือนก้อนุนนะครับที่มีบรรดาสุฮาบะ <c oughs> ได้ถามท่านนาบี m ม h a m m a d صلى ล ل ل ه عليه وسلم ว่ามัสซูรยา رسول Allah ลลอะไรคือซูรที่ท่านพูดถึงนะครับซึ่งท่านนาบีได้สอนบรรดาสุฮาบะว่าวันเกียรติซูรนั้นจะถูกเป่านะครับซอว์วาวรออสูรนะครับ จะถูกเป่านาเบียก็บอกว่าก้อนนุ่นยุ่งฝาคุฟีฮิเป็นลักษณะของเขาสัตว์นะครับมันจะมีลักษณะเหมือนเขาสัตว์เหมือนกับคนโบราณนะครับที่ใช้เขาสัตว์มาตัดปลายแหลมออกแล้วก็ทำเป็นป่องเป่านะเพื่อเป็นการส่งสัญญาณแต่ว่าแตรของมาลายกาเนี่ย แต่ของมลาลัยก่เนี่ยจะยิ่งใหญ่นะครับมหาศาลเลยและไม่มีใครรู้ถึงความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงได้นอกจากลอสซบพานตัลลาและก็อิสรอฟีเนี่ยก็ทำการเป่าโดยกับการที่ณขาดนี้ณปัจจุบันนี้นะครับมือของท่านแตรตรงนี้เนี่ยที่พูดถึงเนี่ยกำลังจ่ออยู่ที่ปาก และสายตาของอิสราฟีนั้นก็ได้มองไปยังอัลลอฮุ س ب ะตาลามองไปที่อารัชบนลังของอัลลอฮฺหวตะอลาเพื่อที่จะรอคำสั่งนะครับรอคำสั่งว่าอัลลอฮฺ س ب ح ะตาลาจะสั่งใช้ให้เขาเป่าตแตรนี้เมื่อไหร่โดยที่ไม่กระพริบตาเลยเพราะกลัวว่าจะพลาดคำสั่งหรือว่ากลัวว่าจะคาดคำสั่งของอัลลอฮฺ س ะตาลา นั้นนะครับฮัตติบทนีนะ้ให้คอคิดกับเรามากมายนะครับว่าแม้แต่กระทั่งมาลายกาที่ทําการเป่าเป่ า, เ ป, าเป่าแตรเนี่ยยังเตรียมพร้อมขนาดนี้นะครับว่าจะให้โลกนี้เนี่ยมันสิ้นสลายให้มนุษย์นั้นได้กลับพื้นสวนอัลลอฮ์ AH, ให้มนุษย์นั้นได้ไปยืนอยู่ต่อนหน้าอัลลอฮ์สุฮาตาละแล้วเรานะครับในฐานะที่ได้ฟังได้ยินฮัตติบทนี้ว่ามาลายกายัางเตรียมตัวที่จะเป่าแตรขนาดนี้แล้วเนี่ย และเราล่ะครับเตรียมตัวที่จะนำสะเสบียงนะครับเก็บเกี่ยวสเสบียงที่จะกลับไปหาลอสุบฮานตลามากแค่ไหนนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของนบีมูซานะครับที่นบีมูซาได้ไปหาฟริรูฮุนได้ไปทําการเรียกร้องนะครับฟริรูฮุนและก็ความช่วยเหลือยิ่งใหญ่ของลอสุบฮาโนตาลาให้แก่นบีมูซา แล้วก็เราได้ข้อคิดมากมายนะครับจากอายะเหล่านี้ว่านบีมูซาหรือในบีมุ hammad สุลลัลฮุอะลัยซัลลัมเนี่ยหลังจากที่ท่านได้ทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลานะครับแน่นอนว่าอัลลอฮ์สุบฮานตะลาจะตอบแทนให้กับคนที่ทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออัลลอฮ์ด้วยกับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นบีมูซา ได้ทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะครับเพราะว่าต้องการที่จะดาว่าผู้คนและสุดท้ายแล้วก็โดนเฟรอรูลขับไล่นะครับออกจากบ้านเมืองของตัวเองเขาละเขายอมเสียสละนะครับเพื่อที่จะดาว่าศาสนาของลอสุมฮางตาลาจนกระทั่งต้องถูกขับไล่และเหีเลร่อนออกจากบ้านเมืองของตัวเองในท้ายที่สุดอัลลอ์ก็ตอบแทนให้กับคนที่ ทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อศา ส, สนาของลอให้กลับมาปกครองอียิปต์นะครับได้ดังเดิมนะครับจากที่ได้ทิ้งบ้านเมืองของตัวเองแต่ในสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็กลับมาอียิปต์ในสถานะของกรรษัตริย์อียิปต์หลังจากได้รับการช่วยเหลือจากลอซุมฮันตลาเพราะเขาทิ้งบ้านเมืองของเขาด้วยกับการที่เขานั้นดวาวาศาสนานะครับได้ด้วยกับการที่นบีได้ทางานศาสนาของลอซุมฮานตลาสุดท้ายแล้วนะครับโดนเฟรดอุนขับไล่ เมื่อยอมละทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ตอบแทนสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าให้กับท่านนาบีมูซาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านนะครับทำการดาวะให้กับชาวมักกะนะสุดท้ายแล้วต้องถูกขับไล่ออกจากเมืองมักกะเพราะเรื่องราวของการทํางานศาสนาทําทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะตอบแทนสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นก็คือการที่นบีมุฮัมมัดนั้นได้ยึดคองนะครับพิชิต มักกะได้และก็เผยแผ่อิสลามไปจนทั่วคาบสมุทรอาหรับนี่คือผลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุลตาราที่ตอบแทนให้กับบุคคลที่ละทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮฺและเขาจะได้สิ่งที่ดีกว่าเหมือนกับที่ท่านอับดุลเบบีมหม์มาซอสัสลลัมบอกว่ามันตระกษีอันลิละอัลลอฮุลลอห์ข้ายรำมินใครก็ตามทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺสุบฮานาห์วาตา阿拉ก็จะทดแทน สิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาอย่างแน่นอนนะครับวันนี้พวกเราเออยอมอยู่บ้านนะครับเพราะหลักการอิสลามนะครับถ้าเรามีเจตนาแบบนี้นะเราเจตนาแบบนี้ว่าในช่วงที่มีวิกฤตนะครับในช่วงที่มีโรคระบาดและเราพยายามที่จะปฏิบัติตามหลักการอิสลามให้มากที่สุดนั่นก็คือการที่เรานั้นไม่ออกไปปะปนกับบรรดา คนที่มีโรคระบาดนะครับในสถานที่ที่มีโรคระบาดเราไม่ไปปะปนกันเพราะกลัวว่าจะเสี่ยงกับโรคภัยเนี่ยแน่นอนครับให้เราเจตนาว่าที่ฉันทําแบบนี้ที่ฉันอยู่บ้านฉันทําเพื่ออัลลอฮ์นะครับฉันไม่ได้ทําเพราะว่าองค์การอนามัยโลกฉันไม่ได้ทําเพราะกระทรวงสาธารณสุขบอกฉันไม่ได้ทําเพราะกฎหมายบ้านเมืองฉันไม่ได้ทําเพราะว่าเป็น กฎหมายของคนนั้นคนนี้แต่ฉันทําเพื่ออัลละฮ์และฉันทําเพื่อหลักการอิสลามการอยู่บ้านของเราจะกลายเป็นอิบารดาที่ยิ่งใหญ่การอยู่บ้านของเราจะได้รับผลบุญนะครับเพราะเราทําเจตนาของเรานั้นเพื่ออัลละฮ์อินนามลาอัมาลุบินนิยะสการอยู่บ้านของแต่ละคนได้ผลบุญไม่เท่ากันการอยู่บ้านของบางคนอยู่เพราะว่านะครับเขาเชื่อฟังรัฐ บ, บาลเขาเชื่อฟังนะครับ โองค์การอนาไมโลกไม่ผิดครับนะไม่ผิดนะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ผิดแต่การตั้งเจตนาเพื่ออัลลอฮ์นั้นเป็นหลักหัวใจสําคัญของอิสลามนะครับเราต้องมีเจตนาทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์สุนห์ฮัตลาและถ้าหากว่าวันนี้การที่เราได้อยู่เพื่ออัลลอฮ์สุนห์ฮัตลาเพื่อหลักการอิสลามเพื่อตามแบบฉบับสุนนะของท่านอบีแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป การงานนะครับเราไม่ได้ทํางานเราไม่ได้ทำํำภารกิจในดุนยาที่มันนามาซึ่งปัจจัยความบกพร่ อ, องของปัจจัยบางอย่างเนี่ยมันลดลงไปเนี่ยอินชอลเลาะลัทธลลสุธรรมตาจะทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับพวกเราอย่างแน่นอนนะครับส่วนวันนี้นะครับอายะกุรานที่เราจะเรียนนะครับอายะที่ยี่สิของซ ah ูรออันนาซียตเนี่ยนั่นก็คือ أأنتم أ ع و ذ ب الله من الشيطان الرجيم أأنتم أشد خلقا م السماء بناها رفع سمكها فسواها وأطش ليلها وأخرج دحها ا والعرض بعد ذلك دحها ا أخرج منها ما ء ه ا ومرعها ا วันทิบาลอรซาฮาม า, าอันล็กุมวิอันอามิคุมยนะีบถึง23นะครับอัลลอฮ์สุฮาตราตัดว่าอย่างไรอัลลอฮ์สุฮาตลาตัดในอายะที่ี่นี้ว่าอังตุมอาชัดูคอลกอนอมิ ส, สมาบานาฮานะครับเชคอุัซมีนได้ทำการอธิบาย นะครับทับซีดอาย่านี้ว่ายังไงเชโกซีมินบอกว่าออังตุมเริ่มต้นอาย่านี้ด้วยกับอิสติฟามนะครับเป็นคําถามเป็นประโยคคําถามขึ้นมาถามใครถามมนุษย์ทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาการฟื้นคืนชีพต่อลอสุมหานตลาเพราะว่าชาวมักกะเนี่ยนะครับในยุคนั้นเขายอมรับในการเป็นพระเจ้าของลอสุมหานตลา แต่เขาไม่ศรัทธาต่อลอสุภานุตาละในด้านอูลูฮียาการให้เอกภาพต่อลอสุภานุตาแต่เพียงผู้เดียวและอีกประการหนึ่งนะครับที่นบีมาเรียกร้องพวกเขาและก็ได้ว่าให้เขานั้นอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องก็คือความเชื่อผิดๆของพวกเขาที่เชื่อว่าเราเมื่อตายไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่มีทางฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกดังนั้น นบีมุ h a m ั a d สุสลต่าก็แนะนำวาฮีจากอัลลอฮ์สุบฮานตะลามาเตือนพวกเขาว่าอันตุมอชัดดุขัอนกอนอมิสสมาเป็นคำถามให้ยอมรับนะครับยืนยันว่าการเกิดวันกิยามัตนั้นมีขึ้นได้อย่างแน่นอนมุชริกนั้นปฏิเสธนะครับและเขาพวกเขากล่าวว่าไมยุฮินอีซอมะวาฮียารามีมนะครับอยู่ในสุรยาซีนะยะที่เจนะครับพวกเขาบอกว่า ใครที่ตายไปเป็นกระดูกแล้วเนี่ยนะอัลลอฮฺสุบฮานาอุตลาจะฟื้นคืนชีพกระดูกขึ้นมาจากกระดูกเนี่ยคนจากกระดูกขึ้นมาหลังจากที่มันถูกดินกลืนกินไปแล้วได้อย่างไรกันนะครับนี่คือใครคําคปฏิเสธของพวกเขาเขาจึงปฏิเสธการฟื้นคืนชีพในวันเกียรมะว่าเป็นไปไม่ได้อัลลอฮฺสุบฮานาอุตลาจึงลงอายะต่างๆเหล่านี้มาเพื่อยือนยันว่าวันเกียร์มะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนและมนุษย์นั้น ฟื้นคืนชีพได้มาอย่างง่ายดายอัลลอฮ์จึงตั้งเป็นคําถามนะครับว่าพวกท่านเนี่ยกับชั้นฟ้าทั้งหลายเนี่ยอันไหนสร้างยากกว่าสุฮานอโ ล, ละนะครับอลัลลอฮ์สุฮานอตาลาจะให้มนุษย์คนหนึ่งหรือมนุษย์เนี่ยแค่มนุษย์เนี่ยนะครับรวมตัวกันไม่รู้จะ ก, กี่คนนะครับจะเท่าภูเขาสักลูกหนึ่งเนี่ยมนุษย์จะต้องมานอนซ้อนกันรวมตัวกันจนกระทั่งยิ่งใหญ่เท่าภูเขาสักลูกหนึ่งเนี่ย ต้องใช้จำนวนคนกี่คนอารสุมหาโนฮงคาตาลาบอกว่าถ้าหากว่าให้สร้างภูเขาที่เจ้าเห็นอยู่ที่มันตั้งตั้งตระ ง, งานอยู่ที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับภูเขาที่สูงที่สุดยอดเขาเอเวอเรสอะไรก็ตามแต่นะ่ะถามว่าภูเขานั้นนะ่ะกับสร้างมนุษย์ขึ้นมาในอันไหนยากกว่านะอารสุมหาโนตาลาตั้งเป็นคำถามนะครับ <S <s เพื่อที่ให้มนุษย์นะ่ะได้ฉุกคิดว่าสุมฮานอลาภูเขาที่ยิ่งใหญ่ แม้แต่ต้นไม้สักต้นหนึ่งนะครับต้นไม้ที่อยู่มาร้อยปีพันปีนะครับที่มีขนาดใหญ่มากนะครับปลาวานสักตัวหนึ่งหรือว่าท้องทะเลผืนแผ่นดินอะไรต่างๆนานาเนี่ยอละสโซนาตาตั้งเป็นคำถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยกับมนุษย์เนี่ยอันไหนสร้างยากกว่านะครับแล้วก็คำตอบแน่นอนครับทุกคนต่างรู้ดีพอถูกตั้งคาถามแบบนี้ทุกคนต่างรู้ดีว่า มนุษย์นั้นเป็นสิ่งถูกสร้างที่สร้างง่ายกว่าภูเขาสักลูกหนึ่งมนุษย์นั้นเป็นสิ่งถูกสร้างที่ง่ายกว่านะครับพื้นแผ่นดินเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาทําให้มนุษย์ฉกคิดว่าให้มนุษย์รู้ตัวเลยนะครับว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งถูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ยังมีสิ่งถูกสร้างอีกมากมายนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาสร้างยากกว่ามนุษย์เสียด้วยซ้ําดังนั้นการที่มนุษย์จะฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามัตเป็นเรื่องง่าาาายเหหลลออกินนสํรับบะุต Allah سبحانه และ ت ع า ل ى ได้ทรงตัดไว้นะครับว่าละขลกิสมาวะติวันอัลดิอัคบารุมินขลกินนัสการที่ Allah سبحانه และ ت อ ا ل ى ได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายนะฟ้าเนี่ยครับมี7ชั้นฟ้าไม่ใช่ชั้นฟ้าเดียว7ชั้นฟ้าและในหนึ่งชั้นฟ้าเนี่ยวอลลอห์อัลตะลาอัลัมไม่มีใครรู้นะครับว่าเอกภพหรือว่าจักรวาลทุกแกาแล็กซี่เลยเนะี่ยอาจจะอยู่ไม่ในเพียงแค่1ชั้นฟ้าเท่านั้นเองนะและยังมีชั้นฟ้าชั้นที่สอง 3 4 5 6ี่ห้ายังมีอีก7ชั้นฟ้าที่อัลลอด์สร้างขึ้นมายากยิ่งกว่าการสร้างมนุษย์เสียด้วยซ้ำแล้วน้าภาษาอะไรครับกับการที่อัลลอฮ์สุนตลาลจะให้มนุษย์ที่เหลือแต่กระดูกนะครับและในที่ท่านนาบีบอกว่าไม่มีคนใดนะครับที่เสียชีวิตไปเว้นแต่ว่าร่างกายของเขาจะถูกกืนกินทั้งหมดยกเว้นอุจบุซัมนะครับก็คือเหลือแต่กระดูกก้นกบเท่านั้นและอัลลอฮ์สุหางตลาลจะ ให้ก้นกบนะครับนั้นเนี่ยถูกงอกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันเกียตรติธเหมือนกับพืชนะครับมเมล็ดพืชที่มันงอกออกมาหลังจากที่ฝนตกลงมานะครับแล้วทุกคนก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจ า, านนจากที่เคยมีมาก่อนแล้วนะครับจากที่เคยมีมาก่อนแล้วนั่นก็คือมนุษย์นั้นมีชีวิตมาก่อนมนุษย์นั้นมีร่างกายมาก่อนแล้วหลังจากที่เขานั้นได้ถูกดินกืนกินไป อัลลอฮ์สุบฮานตะลาก็ฟื้นคืนชีพร่างกายมนุษย์ขึ้นมาจากที่เคยมีอยู่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาสร้างสิ่งมากมายจากที่เคยไม่เคยมีต้นแบบมาก่อนแต่กับมนุษย์นั้นนะครับอัลลอฮ์สุบฮานตะลาสร้างมาและให้มีต้นแบบมาและหลังจากนั้นก็ถึกดินเกืนกินและอัลลอฮ์สุบฮานตะลาจะให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพมาจากสิ่งที่มีต้นแบบมาก่อนนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินสําหรับอัลลอฮ์สุบฮานตะลานั่ก็เป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กับเรานะครับแม้แต่ผู้ศรั เรานั้นสักวันหนึ่งต้องกลับไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮสุบัานาตาอาลาเรานั้นจะต้องไปตอบคำถามนะครับเหมือนกับที่ท่านฟูบอยบินอายัดนะครับระฮิมาฮุลลอครั้งหนึ่งได้เดินไปเห็นชายคนหนึ่งอายุ60ปีนะครับเป็นชายชร า, าละนะครับถ้าหากว่าพูดถึง60ปีในยุคประชาชาตินี้ก็คือไม้ใกล้ฝั่งนะครับท่านก็เจอชายคนนี้นะครับแล้วก็ด้วยกับ พฤติกรรมการเพิดเพิกเฉยละเลยศาสนาของชายคนนี้นะครับก็อยากจะเตือนนะครับท่านฝูบอยบินอียัตก็เป็นชาวสลับคนหนึ่งนะครับอรหิมของล้อท่านก็ถามว่าพี่ชายครับท่านอายุเท่าไหร่แล้วชายคนนี้ก็บอกว่าฉันเนี่ยอายุ60ปีนะมีอะไรหรือนะชายคนท่านฟุดอยบินอียัตก็บอกว่าถ้า60ปีเนี่ยนะในยุค ข, ของเราเนี่ยถือว่า เป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วนะครับในสมัยของท่านนาับีเนี่ยท่านอบีบอกว่าอุมมะประชาชาติสุดท้ายเนี่ยจะมีอายุ6 0สิถึงเจปีเท่านั้นเองนะครับดังนั้น60ปีของท่านเนี่ยไม้ใกล้ฝังแล้วนะนะชายคนนี้ก็บอกว่าอินนาเลนละว่าอินนาอีไลฮิรอจิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺและแท้จริงเรานั้นจะกลับคืนสู่อัลลอฮฺสุฮาห์ตาลาท่านฟุดอยบินอายาสก็ถามว่าที่ท่านพูดแบบเนี้ย คำคำเนี่ยท่านรู้ความหมายมันไหมนะท่านรู้ความหมายไหมาชายคนนี้ก็บอกว่ารู้สิทาไมจะไม่รู้ล่ะความหมายของมันก็คืออินนาลิละแท้จริงเราทุกคนเป็นกรรมสิทธิ์ของลอว์ว่าอินนาอิไรฮิรอจิอุนแล้วเราก็ต้องกลับไปหาลอง์ไงง่ายๆใครก็เข้าใจท่านฟุบอยบินอียาตก็บอกว่าดังนั้นพี่ชายเอ๋ยรู้ไว้เลยว่าคนคนหนึ่งใครก็ตามแต่ถ้ารู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอลอ รู้แล้วว่าตัวเองถูกสร้างมาในโลกุญญานี้มาเพื่อทำอะไรให้รู้ไว้เลยว่าเขาจะต้องกลับไปหาอัลลอ์สุบฮานอตาลาและให้รู้ด้วยว่าถ้ากลับไปหาอัลลอ์แล้วเราจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอ์และทุกคนจะต้องถูกสอบสวนถ้าวันนี้เราก็รู้แล้วว่าเราจะถูกสอบสวนนะครับอัลลอ์จะต้องถามเราและเรายังไม่เตรียมคำตอบสำหรับคำถามนั้นวันนี้ไม่เตรียมวันนี้แล้วจะเตรียมเมื่อไหร่ชายคนนั้นนะครับรู้สึก สะกิดหัวใจของเขามาอย่างรุนแรงเลยเขาเขารู้แต่นะครับความหมายเขารู้ความหมายนะครับแต่เขาไม่นําความหมายของคําคํานี้มาปฏิบัติใช้ในชีวิตเขาเลยนะครับเขารู้ว่าเขาเป็นบ่าวของอนลอเขารู้ว่าเขาจะต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์แต่เขาไม่เคยสํานึกในการที่เขานะครับจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุลฮานอตาลาเลยจนกระทั่งว่าอายุถึง60สปีนะเขาก็ยังเพิกเฉยละเลยต่อหลักการของอัลลอฮ์แล้วเขาก็เลย ถามท่านฟูบอยบินอายาตบอกว่าแล้วจะให้ฉันทำยังไงดีอายุฉันก็60สิปีแล้วฉันทำบาปมามากมายท่านฟูด้อยบินอายาตก็บอกว่าย่สียรอกง่ายมากไม่ใช่เรื่องยากเลยนะตัวซินฟีมาบากยะยกฟูรุโลหแล้วก็ก็มาดอนะหลังจากนี้นับจากนี้เป็นต้นไปเนะี่ยขอให้ท่านนั้นเตาบัตรกับเนื้อกับตัวเสีย และทําความดีหวังหรือเกินหวังอย่างยิ่งจะเอารถสมหาอุตาลาจะตอบแทนให้กับท่านและก็ลบล้างความผิดบาปที่ผ่านมาให้กับท่านนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้เรียนอัลกุรอานได้พูดถึงวังกียามัดได้พูดถึงความตายเนะี่ยให้เราฉุกคิดกันให้มากๆนะครับว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่ให้เราตรวจสอบการงานของเราให้มากๆว่าวันนี้เราพร้อมไหมถ้าตั้งคําถามในหัวใจของตัวเองว่า วันนี้พร้อมหรือไม่ถ้าเราจะตายนะครับวันนี้มีโรคไข้ไข้เจ็บมามากมายนะครับเราได้เห็นข่าวกันใช่ไหมครับบางคนติดโรคหวัดโควิดนะครับแล้วก็ไปเสียชีวิตบางคนไปเสียชีวิตบนรถไฟบ้างบางคนไปเสียเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบ้างบางคนเสียชีวิตด้วยกับการที่เขาไม่ได้ป่วยเป็นโควิดบ้างบางคนเสียชีวิตด้วยกับมะเร็งบ้างบางคนไม่เป็นมะเร็งก็เสียชีวิตก่อนคนเป็นมะเร็งบ้างดังนั้นความตายนะครับเป็นเรื่องที่ จะมาหาเราได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเรายังไม่นำนำึกนึกถึงความตายไม่เตรียมพร้อมถ้าวันนี้เรากลับไปหาลอสุฮาตาลาให้ถามตัวเองให้มากๆว่าเรามีผลงานอะไรจะไปนําเสนอให้กับอัลลอฮ์เรามีผลงานอะไรที่จะทําให้กูโบร์ของเรานั้นไม่บีบเราเรามีผลงานอะไรที่มาอะไรากะเวลามาหาเราแล้วจะมาในรูปร่างที่สวยงามนะครับเรามีผลงานอะไรที่ทําให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเราบ้างนะครับ แล้วก็นี่คือคำถามนะครับว่าพวกท่านกับชั้นฟ้าเนี่ยที่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพพวกท่านปฏิเสธว่าเมื่อตายไปแล้วร่างกายที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันเหลือแต่กระดูกเนี่ยมันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกได้ยังไงเอาล่ะจึงตั้งคำถามว่าถามว่าท่านเนี่ยกับภูเขาเลากาทั้งหลายถามว่าท่านกับชั้นฟ้าทั้ง7 เ, เนี่ยอันไหนที่มันสร้างยากกว่าแน่นอนครับ คนที่มีสติปัญญาแล้วพิจารณาสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮฺสุฮาห์ตล拉เ ข, า, ขาจะรู้ทันทีว่าแน่นอนครับว่าส ano, ิ่งถูกสร้างอื่นอีกมากมายที่สร้างยากกว่าชีวิตของมนุษย์สักชีวิตหนึ่งนะครับอัลลอฮฺก็เลยบอกว่าเาข้ลกิสสามาวถทีวันอัลรุดิอัคบารุมินข้ลกินนัสวลาลากินอักษรนาสิลายะละมูนการสร้างชั้นฟ้าทั้ง7จพื้นแผ่นดินทั้ง7อัคบารุมันยิ่งใหญ่กว่าการสร้างมนุษย์เลยซ้ํา แต่ถ้าว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่รู้นะครับไม่รู้ในสุรากอฟิสอายาที่ห้าสิบเจ็ดแล้วเชคอุไซมินนะครับก็บอกว่าพอเราทึกอ่านมาถึงอายาดนีนะครับว่าอันตุมอาชา ด, ดูขัอลกอณ์อามิสสามาให้อ่านหยุดตรงนี้นะครับนะถ้าหากว่าเราดูในกุมภนะีร์อ่านมันจะมีตัวจีมอยู่นะครับตัวจิมเราก็คือให้หยุดนะอันตุมอาชา ด, ดูขัน้นกรณอามิสสามารถทไมต้องหยุดตรงนี้อ่ะมันมีความหมายนะทําไมต้องหยุดเพราะว่า คำหลังจากนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับประโยคข้างหน้านะมันเป็นคําที่จะต้องเริ่มต้นประโยคใหม่มีความหมายใหม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประโยคข้างหน้าถ้าเราเอานํามาอา่านติดกันทั้งหมดนะครับมันจะเป็นการเชื่อมประโยคที่ไม่เกี่ยวข้องกันเอาไว้ด้วยกันดังนั้นเราจึงจะต้องอ่านว่าอนัอาอนอัลตุมดดอาชาดุคอนกอนอามิสมาแล้วก็หยุดนะครับบานาฮานะานะแลบะบานาฮาตัวนี้แปลว่าอะไร บร า, าหาตรงนี้นะครับแปลว่าอัลลอฮ์ได้สร้างมันนะจุมละตรงนี้นะครับเป็นจุมลอ่อิสตินาฟียาเป็นการเริ่มต้นประโยคใหม่ก็คืออัลลอฮ์ซุลฮานุตาละได้บ่งบอกได้บอกนะครับถึงสิ่งที่อัลลอฮ์พูดถึงนะครับชั้นฟ้าเนี่ยพื้นแผ่นดินทั้งหลายสิ่งถูกสร้างทั้งหลายอัลลอฮ์ซุลฮานุตาละเป็นผู้สร้างมันขึ้นมานะครับ มันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามมันไม่ได้ออกจากเดชานุภาพของอัลลอสุบฮานาหัวตาอาลาเลยชั้นฟ้าทั้งเจ็อัลลอสุบฮานตาลาก็ได้สร้างมันนะครับวันนี้เรามองไปดูชั้นฟ้านะครับเราได้เคยเงยมองดูชั้นฟ้าหรือไม่พี่น้องรู้ไหมครับว่าในมีซุนนหนึ่งนะครับของท่านอับดลีมะมสดมุสลัมทุกครั้งที่ท่านตื่นขึ้นมานะแล้วท่านจะขึ้นไปท่านจะออกจากบ้าน แล้วก็แง้มองดูท้องฟ้าในยามเช้ามืดนะครับก็คือในช่วงซุบฮีเนะี่ยมีสุนน่าหนึ่งท่านจะเดินออกไปนอกบ้านนะครับหลังจากที่ตื่นมาแล้วนะครับท่านก็จะเอามือลูบที่ใบหน้านะครับลูบที่ดวงตาเนี่ยนะครับแล้วก็กอ่านดอานะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮ์ทิอายานะบะดมามะอามะตนะอุลิฮินุชูรนะครับอ่านดวงเสร็จแล้วท่านก็เดินออกไปแล้วก็มองดูท้องฟ้าแล้วก็อ่าน 10อายะสุดท้ายของสุระอนมาอิดะนะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดนะครับสุรอ้อนมาอิดะสิอายะสุดท้ายนะครับเพื่อมาดูสิ่งถูกสร้างอันยิ่งใหญ่ของอัลลอสุบฮะฮนอวตอัลาแรกก็พิจารณาถึงสิ่งถูกสร้างต่างๆเหล่านั้นเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวคอนเฟิร์มก่อนนะครับว่าเป็นสเร้อมาอิดะใช่ไหย ท่านนบีมุฮัมมัดสล์ละัลลัมนะครับอ่าขอมาอนะครับจะอ่านสิบอายะสุดท้ายของสุร์อาลิอิมรอนนะครับอาลิอิมรอนแล้วท่านก็จะเดินเข้ามาแล้วก็ถึงมาทานาำละหมาดนะครับแล้วก็ทำการละหมาดตามสุนนะแบบฉบับต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดสุลละัลลัมเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะดูถึงเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของอัลลฮ์ุสฮานตะลาย้าเตือนทุกเช้าทุกวันทุกครั้งว่าอัลลอฮ์ุสฮานตะลา สร้างชั้นฟ้าขึ้นมานะครับด้วยกับเตโชาภาพอันยิ่งใหญ่ของอัลลอสุตลตาแล้วอัลลสุบฮานตะลาได้ทรงตัดเอาไว้ในอายากราอีกอ้ายาหนึ่งนะครับว่าวัสัมาอุบานนะฮะบิไอดินและอัลลอฮฺสุบฮานลตะลาได้ทรงอัลลอ์บอกว่าและเราได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายมาด้วยกับบิไอดินนะครับด้วยกับความพลังอำนาจด้วยกับอำนาจอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺุบฮานตะลา บางคนไปเข้าใจนะครับเชฟอุไซเมนบอกว่าบางคนเนี่ยไปเข้าใจอายะนี้ว่าบีไอดินเนี่ยแปลว่าพาหูพตของมือนะบางคนไปบอกว่าวัสมาอุบไนนาฮาบีไอดินตรงนี้ชาวสลับซึ่งมีทั้งสอฮาบะและก็นับตัศน์นักทับซีทั้งหลายเนี่ยได้ทับซีทำความเข้าใจนะครับคำว่าบีไอดินว่าบีกูวาติน แล้วมีคนก็ไปเข้าใจโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอัคดะอาชายัยร์เนี่ยไปเข้าใจว่าเห็นไหมนักตักซีรแล้วสัฮาบะเนี่ยก็ยังตีความบีไอดินที่เป็นผ้าห่มโพสของมือเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าเขาไม่เขาไม่ได้ให้ความหมายว่ามือแต่เขาให้ความหมายเหมือนกันว่าบีกูะด้วยกับพลังอํานาจเห็นไหมนี่แหละเป็นหลักฐานการตะวีนการตีความของอุลามะในยุคสัลฟ์อ่าเชฟอุไซมินก็บอกว่า ไอดินตรงเนี้มันไม่ใช่พหูพจน์ของอย่าดุนไม่ใช่พหูพจน์ของคําว่ามือแต่บีไอดินตรงเนี้เป็นมัสดับเป็นลากศัพท์ของกิริยาคําว่าอาดาอ่ายาอีดูไอดันนะครับอาดายาอีดูไอดันเนี่ยแปลว่ากอวียยักวาคูวาตันแปลว่าเข้มแข็งพลังอํานาจดังนั้นตรงนี้นะครับ ทีบ่บรรดานักวิชาการนักทับเียเนี่ยไม่ว่าจะซอฮาบะไม่ว่าจะตาบีอยินไม่ว่าจะนักทับซียคนใดที่ให้ความหมายว่าบีไอดินแปลว่าพลังอํานาจอาลัลลอฮ์ได้สร้างชั้นฟ้าด้วยกับพลังอํานาจไ อ, อดินตรงนี้ให้รู้ว่านะครับบีไอดินตรงนี้ให้รู้ว่ามันเป็นรากศัพท์มาจากกริยาอาดายาอีดูไอดันที่แปลว่าพลังอํานาจไม่ใช่แปลว่ามือนะครับดังนั้นที่เขาแปล ชาวสาลับแปลว่ากับพลังอำนาจนั้นถูกต้องแล้วตามความหมายศัพท์จริงๆของคำคำนี้นะครับไม่ใช่แปลว่ามือและมีการตีความแต่มันแปลว่าพลังอำนาจจริงๆและลอสุพหานอัตาลาก็ทรงตัดเอาไว้นะครับว่ารอฟะอัซัมกะฮะฟาเซวะฮนะพี่น้องครับอายะต่างๆที่ผมอ่านไปเนี่ยหลังจากที่เราได้คุยกันไปข้างต้นว่าชาวกุฟาร์มุชลิกีนะ่เขาปฏิเสธว่า มนุษย์จะฟื้นฟื้นชีพมาได้ยังไงอัลลอฮ์ก็เลยยกอุทาหรณ์ถึงสิ่งถูกสร้างอันยิ่งใหญ่มากมายที่อลัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเนะี่ยที่สร้างยากกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำอัลลอฮ์ยังสร้างขึ้นมาได้อัลลอฮ์ทำลายมันได้อัลลอฮ์สุบฮานอตาลาจะสร้างใหม่กี่ครั้งก็ได้แล้ว น, นภาษาอะไรกับมนุษย์ที่อัลลอฮ์สุบฮานตาลาเคยสร้างมาก่อนแล้วมีรูปแบบมาก่อนแล้วแล้อัลลอฮ์สุบฮานตาลาจะให้ฟื้นคื้นชีพมาอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่ารอฟาอซัมกฮ ฟาษาว า, าอาลัลลอฮ์สุฮาตลาได้ยกชั้นฟ้าให้ขึ้นสูงนะครับชั้นฟ้าเนี่ยอัสมาเนี่ยนะที่เราแปลเป็นแปลว่าฟ้าเนี่ยหรือว่าแปลว่าก้อนเมฆก็ออะไรก็ตามแต่นะครับสมาแปลว่าชั้นฟ้านะสัมมามาจากว่าสมะมยัสมูสูมวันะี่ที่แปลว่าสูงดังนั้นภาษาอเนี่ยนะครับที่แปลว่าฟ้าเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ที่สูงอลัลลอ์สุฮาตุลายกขึ้นไปอยู่ ที่สูงฟะเซวะฮ า, าแล้วลอสุบฮานตลาก็ทําให้มันนั้นสมบูรณ์ให้มันราบเรียบนะครับสมบูรณ์แบบรอฟะฮ์ย่นีอันนอัลดีว่ารอฟะฮ์ฮุบิคอยริอามัดินเชอุสัยมีนก็บอกว่าที่อัลลอฮ์สุบฮานตระได้ยกขึ้นไปหมายความว่ายกชั้นฟ้าขึ้นไปให้มันห่างจากผืนแผ่นดินโดยที่ไม่มีเสาขวางกัน้นสุบฮานอัลลอฮ์เราจะเห็นได้ว่า การสร้างหองละซุนฮัทลาหนะั้นยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบนะครับถ้าหากว่าวันนี้เราลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าระหว่างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินที่กว้างขวางเนี่ยที่กว้างใหญ่เนี่ยมันมีเสาบดบังมันจะต้องใช้กี่เสาและการเดินทางนะครับทางน่นานฟ้าเนี่ยก็จะลําบากมากเครื่องบินก็จะต้องบินนะครับเลี้ยวอ้อมเสาไปมาไปมาแต่วันนี้นะครับอัลละซุนฮตทลาห์ให้ความสะดวกง่ายดายกับสิ่งถูกสร้าง องลอสุภานตลาโดยสร้างชั้นฟ้าเหมือนกับหลังคานะครับแต่หลังคาที่ไม่มีเสาแม้แต่ต้นเดียวมาขวางกั้นไม่มีเขาแม้แต่คําเดียวมาไ ม, ไม่มีเสาแม้แต่ต้นเดียวมาค้าจุนนี่คือการสร้างอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครสร้างได้ดังเช่นการสร้างของลอสุภาหนตาลาฟาเซวะฮามุสตาเวตุนตามะกาเมละก็คือลอสุภานตลาได้สร้างให้มันนั้นฟาเาวะฮาสมบูรณ์แบบนะ สมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่กว่าการสร้างมนุษย์เสียด้วยซ้ำดังที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลานะครับได้ถามมนุษย์อีกนะครับว่ายาะยุหันอินซาอุมากรรกะบิรับบิขันการิมอัลลัติขละะะะะลัลลักกัก فصواك فعندالك โอ้บรรดามนุษ ย, ยชาติทั้งหลายอะไรกันที่ล่อลวงพวกเจ้าอะไรกันที่ล่อลวงพวกเจ้านะครับจากอัลลอฮ์สุบฮานุตาลา ผู้ที่ซึ่งผู้ที่ทรงสร้างเจ้าทั้งหลายและทําให้พวกเจ้าสมบูรณ์แบบนะมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างที่สมบูรณ์แบบที่อรรถสุหัตตลาบอกเอ๊ะมีคนถามว่าแล้วเราจะสมบูรณ์แบบด้วยยังไงนะบางคนก็เกิดมาพิการบางคนก็ไม่พิการบางคนก็หล่อบางคนก็ไม่หล่อบางคนก็สวยบางคนก็ไม่สวยแล้วเราจะพูดได้เต็มปากยังไงว่าพวกเราเป็นสิ่งถูกสร้างที่สมบูรณ์แบบ แน่นอนครับพี่น้องถ้าหากว่าเราได้ศึกษาอายะกุรอานและทำความเข้าใจน่ความสมบูรณ์แบบของมนุษย์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพระประสงค์ของอัลลอสุบฮานุวาตอลาอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ทรงตัดไว้นะครับว่ายาอิฮันอิงซานุมากรอกกาบิรอบิกันกะลมอัลลอฮีทลักกอัลลอลกกาฟซาหวากาฟะละลกฟีอยิสูรติมมาชาอรอกาบกนี่ตรงนี้ต่างหากความสวยงามที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ ม, มนุษย์นั้น ถูกสร้างมาอย่างสมบูรณ์แบบในรูปใดก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์นั่นหมายความว่าร่างกายของมนุษย์จะพิกกลพิการจะสมบูรณ์ครบทุกประการทุกอย่างนับว่าเป็นความสมบูรณ์แบบภายใต้ความสมบูรณ์แบบแห่งพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านะอันนี้แหละคือความสมบูรณ์ที่แท้จริงนะครับก็คือความสมบูรณ์ภายใต้ความประสงค์พระประสงค์แห่งพระผู้เป็นเจ้านั่นหมายความว่า อัลลอฮ์สุบฮาร์ตะลาสร้างให้มนุษย์คนหนึ่งพิการนั่นหมายถึงว่าอัลลอฮ์สุบฮาร์ตะลาได้ประสงค์และความประสงค์ของอลลอฮ์ก็สมบูรณ์แล้วที่ให้คนคนนั้นเกิดมาเป็นแบบนั้นอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงสร้างคนคนนั้นให้พิการอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าอัลลอฮ์ทำไมถึงสร้างคนคนนี้ให้สมบูรณ์ให้มีอะเบะครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยกับความสมบูรณ์แห่งพระประสงค์ของผู้บิดาเจ้านี่แหละครับที่มนุษย์นั้นจะต้องบอกว่า มนุษย์นั้นอยู่ในรูปร่างที่สวยงามและสมบูรณ์แบบด้วยกับพระประสงค์แห่งพระผู้เป็นเจ้าแล้วลสุมหานตาลาลนะครับก็บอกอีกนะครับตัดอีกว่าว่าอัลกุอชะไลละฮะว่อัคราจัดูฮะลสุมาหานตาลาเมื่อสร้างชั้นฟ้ามาแล้วสร้างดวงอาทิตย์แล้วสร้างดวงจันทร์แล้วเนี่ยลสุมหานตาลาก็ได้ทาให้อัลอชาไลลฮ ไออัสลมะฮ์ฟะไลลุมุสลิมุนอัลลอฮ์สุบฮานอต阿拉ได้ทําให้มีกลางคืนที่มันมืดมิดนะกลางคืนที่มันมืดมิดอัลลอฮ์สุบฮานอต阿拉พอพูดถึงกลางคืนให้เราคิดถึงอะไรครับดวงจันทร์สุบฮานอลลดวงจันทร์เนี่ยยิ่งใหญ่ม า, มากมากยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์มนุษย์รวมตัวกันทั้งหมดในโลกนี้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าดวงจันทร์ไม่ต้องไปพูดถึงดวงอาทิตย์มนุษย์รวมตัวกันทั้งหมดในโลกนี้ก็ยังไม่ใหญ่เท่ากับดวงจันทร์ เอาตั้งแต่มนุษย์คนแรกจนมนุษย์คนสุดท้ายเนี่ยรวมตัวกันนะครับก็ไม่ได้ใหญ่เท่ากับดวงจันทร์แล้วนักภาษาอะไรกับการที่อลอสซูฮานตลาจะให้มนุษย์เฟื่องเขินชีพมาอีกครั้งไม่ได้พอลอสซูฮานตลาพูดถึงกลางคืนอลอร์ก็บอกว่าเมื่อกลางคืนนั้นมันถูกทําให้มืดมิดและใครนะครับที่ทําให้มันมืดมิดแล้วอะไรที่ทําให้กลางคืนมันมืดมิดเพราะว่านะครับมีการหมุนเวียนของโลกของดวงอาทิตย์นะครับ ทำให้มีการบดบังเกิดขึ้นจึงเกิดกลางวันและกลางคืนนะครับนี่คือพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาอัลลอฮฺสุบฮาให้เราคิดถึงสิ่งถูกสร้างอันยิ่งใหญ่นะครับเมื่อมันขึ้นมาปรากฏให้เราได้เห็นและมันก็สามารถที่จะหายไปได้มันเกิดกลางวันมันเกิดกลางคืนทําให้เรารู้นะครับว่าดวงอาทิตย์ที่มันเป็นสิ่งถูกสร้างที่ใหญ่แค่ไหนก็ตามมันก็ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดกาลอยู่ได้ตลอดเวลามันก็สามารถที่จะหายไปได้ แม้แต่กลางวันกลางคืนก็เป็นข้อคิดข้อตั้งใจให้กับผู้ศรัทธาถ้าเราคิดนะครับเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานุตาอัลานะวะอัลตอชาไลละฮะก็คืออัลลอฮฺสุบฮานุตาอัลาได้ทำให้เกิดความมืดมิดขึ้นมานั่นก็คือมีกลางคืนขึ้นมาอัลลอฮ์ตรัสไว้ในสุรานอิสราอัยะที่สิบสองบอกว่าวะเจันน ja an la ah ja ah ั ah ่นไลล้วันน้ฮาระอัยตายนิวมะฮูน่าอัยตัลไลลวเจันนาอัยตัลน้ฮาระมุบซีรอนะครับ เราบอกว่าเราได้ทําให้กลางคืนและกลางวันนั้นมันเป็นสองสัญญาณอันยิ่งใหญ่ฟะมะเฮ้านาอายะตะเลนเราได้ทําให้กลางวันนั้นมืดมิดวะจานนาอายะตะ น, นาฮารมุปสีโรวะจานนาอายะตะ น, นาฮาริมุปสีโรและเราได้ทําให้กลางคืนกลางวันนั้นเนี่ยมันนะครับสว่างสวยัยและทําให้ผู้คนนั้นได้มองเห็นและก็ได้ออกมาทํางาน นะครับได้ออกมาหากินได้ออกมาแสวงหาอาชีพในการคืนก็เป็นกลางคืนช่วงเวล า, าการพักผ่อนทั้งสองเป็นสัญญาณที่ให้มนุษย์ได้คิดวันนี้ผ่านกลางวันกลางคืนกับเรามามากมายเราได้คิดแบบนี้กันไหมนะเราได้คิดนะครับทุกวิธีคิดของเราทุกการไข้ควรของเรามันจะกลายเป็นอิบาดัดที่ยิ่งใหญ่นะครับหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาอัลาแล้วอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาก็บอกว่าวา و أ خ จ ة ذو ح ا ه า เบียนะฮ์บิชัมสอ์อัลลัติทักรู้ทุกๆวันจากมัทลางิ์ฮาและดับดิบุมจากริบิฮาอัลลอฮุซุ่มมัตัลลาได้ชี้แจงนะครับได้แจงไว้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอัลลอฮุซุ่มมัตัลลาให้มันออกมาปรากฏออกมาในช่วงยามเช้าแล้วก็ให้มันหายไปในช่วงกลางคืนนะดวงอาทิตย์ยิ่งใหญ่ห่างจากโลกนี้ถึงเก้าสิบสามล้านไมล์ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบล้านกิโลเมตรเนี่ยความร้อนของดวงอาทิตย์ยัง แผเผามาถึงโลกขนาดนี้นะครับต้องใช้คําว่าแผดเผาเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันความร้อนนะครับมันยิ่งทะวีคูณด้วยกับน้ํามือของมนุษย์ที่ทําลายสมดุลของธรรมชาติทําให้นะครับความร้อนมันเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับแล้วก็ในฤดูหนาวความหนาวก็เริ่มหายไปนะครับความร้อนก็เข้ามาแทนที่ แต่ให้เรารู้นะครับว่าดวงอาทิตย์ก็เป็นข้อคิดข้อเตือนใจตอนนี้นะครับยามเช้าของวันนี้นะครับตอนนี้กี่โมงละตอนนี้6โมง56นาทีนะครับเดี๋ยวดูแสงแสงอาทิตย์ก็จะปรากฏนะครับพอแสงอาทิตย์ปรากฏให้เราพิจารณาเลยนะครับว่าสุพรรณนลนี่คือความยิ่งใหญ่ขนาดดวงอาทิตย์ที่อยู่ห่างไกลจากโลกขนาดนี้แสงของมันยะมาขนาดนี้ แต่วันหนึ่งที่มันมาอยู่ใกล้ศีรษะของเราวันนั้นเราจะใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไรเราจะรอดได้ยังไงเราต้องไปแสวงหาแล้วว่าเราจะรอดอยังไงมันมีการงานอยู่นะครับมากมายที่ทําให้เรารอดพ้นจากความรอดของดวงอาทิตย์ในวันเกียมะวันที่มันลงมาแค่คืบแค่ศอกนะครับวันที่อเลสซานโดรตาลาจะให้บุคคลหนึ่งกลุ่มหนึ่งรอดคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่รอดคนกลุ่มหนึ่งจะจมอยู่บนเหงือตัวเองนะครับจมอยู่ในเหงือของตัวเองบางคนนั้นก็รอดจากการ แสงอาทิตย์ที่ร้อนแผดเผาพวกเขาให้ไปอยู่ในก่มเงาของอารักเขาคือไขรเราต้องไปสแสวงหาเราต้องเรียนครับนักศาสนาต้องเรียนต้องพูดคุยกันมากๆเพื่อมาขัดเกลาหัวใจเพื่อเพิ่มพูนอีมานนะครับทำให้พวกเรานั้นเกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุลฮานุตาลาอัลลอฮ์สุลฮานตาลาได้บ อ, ก, อกนะครับว่าอัลอฮบอบัดดาลิกะดฮะฮและหลังจากนั้นอัลลอ์สุลฮานุตาลาก็ได้ ทำให้ผืนแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮ์สร้างผืนแผ่นดินนะและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ทําให้มันเรียบราบเรียบถึงแม้ว่ามันจะมีภูเขานะมันก็มีที่ราบเรียบนะครับให้ผื้นแผ่นดินเนี่ยมันมีที่ราบเรียบอยู่ไม่ใช่ว่าจะเป็นรุ่มรุมดอนดอนทั้งหมดมนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แน่นะครับแต่หากว่าทุกที่ในโลกนี้มันกลายเป็นเหวมันกลายเป็นภูเขาทั้งหมดมันไม่มีที่ราบเรียบเลยแต่อัลลอฮ์ซุหานอตาลาทําให้ โลกนี้นะครับมือผืนแผ่นดินที่ราบเรียบและมนุษย์ก็ไปอาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินนั้นด้วยกับความสะดวกสบายนะบางคนอยู่ในพื้นที่ที่เขียวขจีบางคนอยู่ในพื้นที่ ท, ท, ที่อุดมสมบูรณ์มาในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับถ้าไม่มนุษย์ไม่ทำลายธรรมชาติเนี่ยพวกเราจะเป็นนะครับแหล่งที่มีผลผลิตทางธรรมชาติมากมายเหลือเกินที่ลเราส่งตลาประทานให้กับพวกเรามีทั้งภูเขามีทั้งทะเลมีทั้ง นะครับบรรยากาศมากมายมีความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินผืนน้ํานะครับที่พูดกันในอดีตว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวเนี่ยนะครับก็มันมันเป็นสิ่งที่สะท้อนเป็นคาพูดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยแต่มนุษย์ไปทําลายธรรมชาตินะครัให้บ้านเมืองของเราต้องกลายเป็นแบบนี้อออเราจึงส่งบททดสอบมามากมายนะครับมาให้ย้ําเตือนมนุษย์ว่าพวกท่านกําลังทําลายธรรมชาติพวกท่านกำลังฝ่ า, ฝ, าฝืนอออเราส่งมาตลอด กันอยู่หรือไม่นะครับ one outdoor badarikada hahah หลังจากนั้นอัลลอฮ์สร้างผืนแผ่นดินมาแล้วให้มันราบเรียบเชคุไซมีนบอกว่า a d h a w ูเนี่ยก็คือการทําให้มันราบเรียบอัลลอฮ์ซุนฮานตะลาสร้างสร้างอะไรก่อนอัลลอฮ์ซุนฮานตะลาสร้างผืนแผ่นดินก่อนนะครับอัลลอฮ์สร้างอัสมาวาติวันอัลชั้นฟ้าทั้งหลายทั้ง7็ชั้นแล้วก็ผืนแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในมันเนี่ยอัลลอฮ์ใช้เวลาสร้าง6วันซุมมาสตาวะอัลัลอาร์นะ ซุมมสเตวาอิลัสมามีหลายคำนวณอัลลอฮ์หลังจากนั้นอัลลสุบก็ขึ้นไปไปอยู่บนเบื้องบนแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์สุบยาก็ขึ้นไปประทับเนื้อประทับเหนือนะครับอารัชของอัลลอฮ์สุบฮานตะลาหลังจากที่สร้าง6วันมีอะไรบ้างที่เราสร้าง6วันอัลละฮ์สร้างพื้นแผ่นดินก่อนอันดับแรกเลย6วันนี้นะครับอัลลอฮ์เริ่มจากการสร้างพื้นแผ่นดินก่อนว่าอัครอัครอจะมินฮามะฮาวะมร อาหะและเอลอสุนทรลาสร้างภูมนแนดินพร้อมกับทําให้พร้อมกับให้อะไรครับมีน้ําไหลออกมาและก็มีมรอาหามีเลือกสวนไลนาที่เขียวขจีนะครับให้เกิดขึ้นบนโลกนี้เป็นอาหารให้กับมนุษยชาติเป็นอาหารการกินให้กับบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นริสกีปัจแจงชีพให้กับทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ เาทรงมหาตาทรงตัดไว้นะครับในสุรฟุศศิรัสอายะที่9ถึง12บอกว่าก um ุนอินกุนอินกุมละตกฟูรูนบินละทีคอลอกะบิลคอลอกลอลจงก่าวเถิดมูฮัมมัดพวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้ปฏิเสธต่อผู้ที่ซึ่งสร้างผืนแผ่นดินฟียเยมัยในสองวันหรือเราถามนะคะว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยปฏิเสธกับผู้ซึ่ง สร้างพื้นแผ่นดินนี้ในสองวันกันนั้นหรือหมายความว่าพื้นแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮฺสุฮาตลานะครับใช้การสร้างพื้นแผ่นดินนี้นะทั้งเจ็ดชั้นเนี่ยสองวันวะเตจอาลูนารูอังอังดาดังซาลิการบบุลราลมีนและก็พวกท่านเนี่ยให้มีพาคีนะ กับอัลลอส์บ ب าะตลามากมาย ท, า ท, าทั้งๆที่อัลลอฮ์ س ب า ا ن ه แะตลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกนะว่จาละฟีฮารว่าซียามิ่งฟาอกีฮาวะบารอกฟีฮะและอัลลอฮ์ سبحانه และตลาก็ให้ผืนแผ่นดินนี้มันมีภูเ ข, ขาที่ตั้งตรังอานอย่างมั่นคงอยู่บนมันวะบารอกฟีฮาวะกัดดารฟีฮะอักวาตา แล้วเราซูมฮาตลาล้ก็ให้ผืนแผ่นดินนี้มีบารักะมีความจำเริญวะกอดเดรฟีฮะอักวาตะฮาแล้วเราก็กำหนดให้มีอาหารการกินปัจจัยยังชีพฟีอัลเบอติอัยยามในสี่วันสว้าอินลิสซาสว้าอินลิสซาอิลินเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันกันกบผู้ที่จะมาถามเจ้านะ ตรงนี้เช็คอุไซเมนบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละนะครับสร้างชั้นฟ้านะสร้างพื้นแผ่นดินก่อนอันดับแรกเลย2วันและรวมไปถึงการสร้างสรรพสิ่งที่อยู่ใ น, นผืนแผ่นดินที่เป็นปัจจัยยังชีพทั้งหลายทั้งภูเขาทั้งต้นไม้ทั้งอาหารการกินอะไรทั้งแม่น้ําทั้งหลายรวมการสร้างผืนแผ่นดินนี้นะครับและสิ่งต่างๆที่อยู่ในพืนแผ่นดินนี้เนี่ย สี่วันแล้วลสุบฮะนอัตลาุมมาสตวาวะอิลัสสมาอิวะฮยดุอแล้วลสุาตาก็ได้ทรงสเสด็จขึ้นไปอยู่บนเบื้องบนณนะตอนเวลานั้นน่ยนะครับมันยังเป็นกลุ่มหมอกควันอยู่ยังไม่ถูกสร้างฟกากอลลวาลิอลอลลสุาตาก็ได้ทรงตัดกับชั้นฟ้าทั้งหลาย และพื้นแผ่นดินอิตยาเตาอันอาการาจงมายังข้าไม่ว่าเจ้าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามกอลาตาอัตยนาตออีนและหลังจากนั้นพวกนี้นะครับชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินก็พูดกับอัลลอฮ์บอกว่าเรามาหาอัลลอฮ์แล้วด้วยวความเต็มใจฟกโดหุนสบะสมาวตฟมเยนและหลังจากนั้นอ AH ัลลอฮ์ทรงฮาเอ า, ตาแต่ละจากนั้นนะครับ จากนั้นอลัลลอฮ์ก็สร้างชั้นฟ้าทั้ง7ในสองวันอาญะทั้งหมดนี้นะครับที่พูดถึง ส, งสร้างชั้นฟ้าสร้างพื้นแผ่นดินก่อน ine, อันดับแรก2วันแล้วก็อีกสองวันสร้างสิ่งที่อยู่ใ น, ในพื้นแผ่นดินทั้งหมดแล้วก็ขึ้นไปชั้นฟ้าณเวลานั้นที่อลัลลอฮ์ยังไม่ได้สร้างชั้นฟ้ามันเป็นกลุ่มหมอกควันอลัลลอฮ์ก็สร้างชั้นฟ้านะครับภายในสองวันนะครับภายในสองวัน ทั้งหมดรวมเป็นหกวันทำไมเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของเราจึงสร้างชั้นฟ้าพื้นแผ่นดินทั้งหมดหวันทำไมอัลลอฮ์ไม่เสกสรรปั้นแต่งนะครับเกกสรรปั้นแต่งให้มันเกิดขึ้นมาด้วยกับคําว่ากุญ f a y y กู u จงเป็นและมันก็ได้เป็นทั้งๆที่การสร้างของอัลลอฮ์ซุมหาห์โนตาลาเนี่ยนะครับมีการสร้างสองรูปแบบอัลลอฮ์ซุมหาห์ตาลาสร้างด้วยกับมือของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างอาดัมด้วยกับมือสร้างอารัชด้วยกับมือของอัลลอฮ์ซุมหาห์นาตาลาเองนะครับนี่คือ การตชรีฟการให้เกียรติแล้วก็อัลลอฮ์สุฮาห์ตาลาก็สร้างด้วยกับคําสั่งกุลฝ่ายกูลจงเป็นและมันก็เป็นแต่ทําไมอัลลอฮ์สุฮาห์ตาลาสร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินต้องใช้เวลาถึง6วันอิบนาอับบัส ร, รดยลลางอันฮุได้บอกว่านี่เป็นคําสอนของอัลลอฮ์สุฮาห์ตาลากให้เราได้ฉุกคิดว่าอัลลอฮ์สุฮาห์ตาลาเวลาจะทําอะไรเนี่ยทั้งๆที่เลามีความสามารถที่จะให้มันเกิดขึ้นทันทีแต่อัลลอฮ์ก็สร้างมันด้วยความปราณี ออลอสวางตารางไม่เร่งรีบในการสร้างมีการวางแผนว่าสร้างอะไรก่อนสร้างอะไรต่อมาแล้วก็ไปสร้างอะไรทําให้มนุ่นเนี่ยนะครับได้เอาสิ่งเหล่านี้มาเรียนแบบได้ว่าพอเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เรามีความประณีตให้เรามีความเอาใจใส่ให้เราตั้งใจในการงานนั้นทั้งๆที่ออลอสมีความสามารถมากกว่าเราออลอสยังสร้างชั้นฟ้าและปุ่นแผ่นดินถึง6วันด้วยกันออลอสสร้างนาบีอาดัมไม่ได้สร้างขึ้นมาทันทีออลอสไปเอาดินในแต่ละพื้นที่ นะครับของโลกนี้มาผสมกันแล้วก็สร้างในรูปแบบต่างๆทั้เป็นดินเหนียวนะเริ่มจากดินที่ผสมน้ํานะครับดินตรมดินเหนียวแล้วก็เอาไปแล้วจะรอจนมันแห้งแห้งแล้วก็เหมือนกับนะครับภาชนะเหมือนกับดินเหนียวที่เอาไปทําภาชนะต่างๆเคราะมีเสียงแล้วก็เราก็ใส่วิ ญ, ญญาณเข้าไปเห็นไหมครับมันมีมะรอเฮน มันมีลำดับขั้นตอนในการสร้างแสดงถึงความปราณีตของอัลลอฮ์สุลตาราที่ต้องการสอนมนุษยชาติบอกว่าจะทําอะไรก็ตามแต่สักอย่างหนึ่งให้เรานั้นมีความปราณีตอย่าเร่งรีบอย่ารีบด่วนให้งานนั้นออกมาดีที่สุดนี่คือหลักการอิสลามอัตตะอันนีมิน ล, ละเลาวันอั จ, จิละตุมินะเชตอนการเร่งรีบที่จะทําอะไรสักอย่างมันมักจะมามีผลเสียตามมาเสมอลืมนั่นลืมนี่ทําพลาดนั่นทําพลาดนี่และชัยตอนจะเข้ามาแทรกทันที เอาบอกว่าความเร่งรีบรีบด่วนตัดสินใจรีบอะไรก็ตามแต่แม้แต่กระทั่งทุกวันนี้รีบแชร์ข่าวรีบพูดในสิ่งที่มีความรู้เนี่ยมันมาจากชัยตอนทั้งสิน้นและผลสุดท้ายเป็นยังไงครับบั้นปลายของการเร่งรีบมามีผลเสียทั้งสิน้นอัสฟุลลอฮอัลอาจิลตุมินอชัยตอนนะครับอัลอาจิลตุมินอชัยตอนผมพูดอันีสลับกันอัลอาจิลตุมินอชัยตอนความเร่งรีบมาจากชัยตอนแต่อันนี้มิโนลอ ความปราณีการไม่เร่งรีบค่อยๆ ค, คิดค่อยๆทํานั้นมาจากอัลลอฮ์สุบฮานาฮูตะอาลานะครับแล้วก็หลังจากนั้นอัลลอฮ์สุบฮานาฮูตะอาลาก็ทรงตัดไว้นะครับว่าวันจีบะละอัลาฮาแล้วอัลลอฮ์สุบฮานาฮูตะอาลาก็ได้สร้างภูเขานะสร้างภูเขาขึ้นมารอซียะตันฟินอัลดิ ฟลาตันซิฟุฮเรียมะมะมะมะมาโกวิยะสอัลลอฮ์สร้างภูเขาขึ้นมานับให้มันมั่นคงอยู่บนผืนแผ่นดินภูเขาเนี่ยถ้าเราพิจารณามันนะเราเรามานั่งพิจารณานะครับภูเขาเนี่ยแต่ละลูกใหญ่กว่ามนุษย์มากมายสร้างยากกว่ามนุษย์มากมายอัลลอฮ์จะทําลายมันทันทีก็ได้อัลลอฮ์จะให้มันสร้างใหม่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับดังนั้นนับประสาอะไรกับการที่มนุษย์คนหนึ่ง เสียชีวิตไปแล้วร่างกายผุพังไปแล้วเน่าเปื่อยไปแล้วจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพอเราพิจารณาถึงภูเขาเราจะเห็นนะครับว่าญาติต่างๆที่อลอสซูมาตาบอกว่าวันจีบาลอาอัลตาดาภูเขานั้นเหมือนกับหมุดเหมือนกับตะปูนะเหมือนกับหมุดที่ตอกลงไปในพื้นแผ่นดินเหมือนกับหมุดที่มันตอกลงบนโตะตะปูที่มันตอกลงบนโตะไม้เนี่ยนะครับเวลาเอามาติดกั น, นถ้าหากว่าไม่มีอะไรตอกตึงมันก็จะแยกออกจากกันได้อย่า ง, ง่ายได้ แต่พออะไรมาติดกันแล้วแล้วก็ถูกตอกตึงด้วยกับตะ ป, ปูเนี่ยมันก็จะมั่นคงเช่นเดียวกันนักธรณีวิทยาจึงบอกว่าหน้าที่ของภูเขาเนี่ยก็เหมือนกับหมุดที่มันตอกตึงให้รอยแยกของโลกเนี่ยนะครับเปลือกโลกเนี่ยมันไม่ขยับอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลาทําให้ยึดเปลือกโลกเอาไว้นะครับถ้าหากว่าไม่มีภูเขาเนี่ยโลกของเราก็จะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงมนุษย์จะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างปกติสุขถ้าหากว่ามีมีภูเขา แต่ลัทธิสุมาตาสร้างให้มีภูเขา เ, เพื่อที่จะมาเป็นหมุดตอกตึงให้เปลือกโลกนะครับมันยึดติดกันแล้วก็ให้โลกมันไม่สั่นสะเทือนจนเกินไปแต่มันอาจจะมีเรื่องของแผ่นดินไหวมาบ้างเพื่อเป็นบททดสอบแต่ถ้าหากว่าไม่มีภูเขาเล ย, เนยนะโลกของเราก็จะอยู่แบบสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาและมนุษย์จะไม่มีความสุขในการดําเนินชีวิตเลยแล้วลัทธิสุมาตราก็บอกว่านะครับตัดไว้อีนะครับว่ามัตัลลัคุมวาลีอันามิกุม และอัลลอฮฺสุบฮานอหัวตาลานั้นได้ให้สิ่งที่อยู่ในพื้นแผ่นดินนั้นเป็นปัจจัยแก่พวกท่านนะครับให้พวกท่านนั้นได้มีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้มีอาหารการกินทั้งมนุษย์เองและก็สรรสัตว์ทั้งหลายนะครับที่อยู่บนโลกบุญญาแห่งนี้นี่แหละครับคือความร่ำมานของอัลลอฮฺสุบฮานอหัวตาลาความเมตตาของอัลลสุบฮานอหัวตาลาที่อัลลอฮฺสุบฮานอหัวตาลาเนี่ยเมตากับทุกสรรพสิ่งทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้ง ทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยเอลลอสุขมหาตาเมตตาทั้งหมดเลยนะครับไม่มีสิ่งใดที่จะออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์ได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะปฏิเสธศรัทธาแค่ไหนเขาก็จะได้รับริสกีจากอัลลอฮ์เขาก็จะได้รับการดูแลจากอัลลอฮ์นี่คือความยุติธรรมอย่างยิ่งใหญ่ของอลอสุขมหาตาวันนี้นะครับถ้าหากว่ามีคนมาด่าเรามีคนมาว่าเรามีคนมาประนามเรามีคนมาหักหลังเราแน่นอนครับบุคคลคนนั้นเราก็จะ นะครับขึ้นบัญชีดําเลยว่าต่อไปเราจะไม่ช่วยเหลือเขาอีกถ้าเขาถ้าเราเคยช่วยเหลือเขาแล้วเราเขามาหักหลังเราเนี่ยแล้วเราจะไม่ช่วยเหลือเขาอีกนี่คือมนุษย์แต่อัลลอฮฺซุนฮานตะลาช่วยแม้กระทั่งบุคคลที่หักหลังอัลลอฮฺเนระคุณอัลลอฮฺบุคคลที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺบุคคลที่ประนามดายามเหยียดยามกรีดยามเกียรตอัลลอฮฺซุนฮานตะลาอย่างไรก็ตามอัลลอฮ์ก็ยังให้ปัจจัยเขาในดุลยานะในดุลยานี้นี่คือความรหะมานที่นักวิชาการบอกว่า อัลลอมานกับอัลลอฮีมมีความแตกต่างกันอัลลหฮีมเนะี่ยที่เรากล่าวบิสมิลลาฮิรนะ็อฮ์มานิร็อฮีมเนี่ยด้วยกับพระนามของ Allah, อัลลอ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปานีเสมอเนะี่ยนะครับร็อฮีมเนะี่ยอัลลอ์ให้กับใครรอมานอัลลอฮ์ให้กับใครอัลลอฮมานอัลลอฮ์สุตลาให้กับทุกสิ่งไม่ว่าจะกาเฟรไม่ว่าจะมุมิน ไม่ว่าจะมุสลิมไม่ว่าจะมุฮซินไม่ว่าจะคนหรือจะสับไม่ว่าจะสัตว์ไม่จะมีสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตทั้งหลายอัลลอฮ์ดูแลทั้งหมดที่อยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้แต่อัรอฮีมเน้นนั้นนะครับว่าว่าว่าว่ากานะบินมุมีนีนะรฮีมานะรฮีมนั้นอัลลอฮ์ س ب ح ะตาลจะให้กับผู้ศรัทธาในวันกิยามัตเท่านั้น ความรอฮีมอัลลอฮ์จะให้กับผู้ศรัทธาที่อยู่ในวันเกียร์มาทั้งการอภัยโทษทั้งในสวรรค์ที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์มี100อความเมตตาเนี่ยอัลลอฮ์สุนนะตาลาให้ความเมตตามาดุลยาเนี่ยมีแค่หนึ่งความเมตตานั่นก็คือรอฮ์มานแต่อีก99เการห์มะที่เป็นอัลรอฮีมเนี่ยอัลลอฮ์จะให้กับผู้ศรัทธาในสวรรค์นั้ น, น, นหนึ่งความรอฮ์รอฮ์มะตรงเนี้ยที่อัลลอฮ์ลงมาเนี่ย มนุษย์ตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายเอามาแบ่งกันใช้แบ่งกันกินทุกวันเนี่ยนะตั้งคนดีคนไม่ดีคนศรัทธาคนไม่ศรัทธาเนี่ยเอาหนึ่งความเมตตาของเราเท่านั้นที่มาแบ่งกันในโลกวุญญาณ เ, เราจะเห็นได้ว่าบางคนมีหมื่นล้านนะครับบางคนมีแสนล้านแต่เขาเนี่ยเอามาจาก1ความเมตตาเราก็ได้รับจาก1ความเมตตาแต่ถ้าเราอยากจะได้อีก 9-9 ความเมตตาต้องทําตัวยังไงไปถามตัวเองดูครับว่า ตอนนี้เราเหมาะสมไหมที่เราจะไปรับความเมตตาอันนั้นของอรหังตาลาอีก99ความเมตตาเราทําตัวของเราเหมาะสมกับอีก99ความเมตตานั้นหรือไม่ถ้าเราทําตัวของเรายังไม่เหมาะสมวันนี้ครับมีข้อคิดข้อตนใจกับเราอย่างมากมายให้เราเนี่ยได้มาตรวจสอบตัวเองให้มากๆนะคะว่าเราเนี่ยเหมาะสมไหมกับอีก99ความเมตตาที่อรหับอกว่าจะให้กับเพียงแค่ผู้ศรัทธาเท่านั้นนะครับวันนี้ก็พูดคุยกัน เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอินชอนเหรในวันต่อไปเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเรียนในอายะห์ที่34ถึงอายะห์ที่40นะครับก็เป็นเรื่องของวันเกียรมะเป็นเรื่องของการเตือนให้นำลึกถึงความตายนะวันนี้การพูดถึงความตายการพูดถึงการย้ําเตือนชีวิตในหลุมฝังศพการพูดถึงในเรื่องของการเตรียมตัวมันต้องมาพูดถึงกันบ่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเตรียมตัวเพื่อปกป้องตัวเราอย่างเดียว ให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บแต่บางทีเราเตรียมตัวเรากังวลนะครับในเรื่องของโคโรนามากเกินไปจนเราเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องของอามันอิบาดะมันก็เป็นการเตรียมตัวที่ไร้ค่านะครับอาจจะเตรียมตัวเพราะกลัวโรคภัยไข้เจ็บแต่ลืมเตรียมตัวในเรื่องของสเบียงที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุลฮานุลตาการเตรียมตัวนั้นก็ไร้ค่า แต่ขอให้การเตรียตัวของเรามันครบทุกด้านนะครับไม่ว่าจะด้านของสุภาพร่างกายของเราในาปัจจุบันหรือในเรื่องของการเตรียมอามันอิบาดะซะเบียงการตั้งเจตนาอย่างที่ผมบอกว่าหลังการตั้งเจตนาของเราเนี่ยให้เราตั้งเจตนาไว้นะครับว่าวันนี้เราอยู่บ้านของเราเราไม่ออกไปไหนเพื่ออัลลอฮ์นะเพื่ออัลลอ์นี่คือหัวใจสำคัญเลยฉันอยู่บ้านเพื่ออัลล์ วันนี้โพสเฟซบุ๊กเลยวันนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าอยู่บ้านเพื่อให้คนปลอดภัยอยู่บ้านเพื่อช่วยชาติวันนี้เราอยู่บ้านเพื่ออัลลอฮ์เราอยู่เบิดบ้านเพื่อปฏิบัติตามสุนนะนะบีเมื่อเกิดฟิตนะนบีให้อยู่บ้านเมื่อเกิดฟิตนะเมื่อเกิดเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นนะบีบอกว่าให้ละหมาดที่บ้านได้วันนี้เราปฏิบัติตามสุนนะวันนี้เราปฏิบัติตามหลักการอิสลาม ขอให้เราตั้งเจตนาและทุกครั้งทุกวินาทีทุกนาทีที่เราอยู่บ้านอินชอนลอมันจะเป็นผลบุญนั้นยิ่งใหญ่และขอให้การอยู่บ้านของเรานี้นะครับได้ทําให้เราทบทวนตัวเองได้ทําให้เรานั้นได้หวนคิดนะครับว่าก่อนหน้านี้เราได้ทํางานจนมากจนเกินไปหรือเปล่านะจนกระทั่งว่าเราแทบจะไม่มีเวลาละหมาดเราทํางานดุจยามากเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งเราไม่ค่อยได้อ่านกุรอาน เราทำงานดุลยามากเกินไปหรือเปล่าจนเราไม่เคยได้มาสอนลูกเราไม่เคยได้คุยกับคนในครอบครัวของเราเลยไม่เคยมานั่งรวมตัวกันนะครับแล้วพูดถึงเรื่องศาสนาเลยวันนี้อลัลลอฮฺทวงตรัสได้ให้โอกาสเหล่านั้นกับเราแล้วเราจะเอาเวลาที่ดีที่สุดนี้เอาช่วงเวลาว่างของเรานี้และขณะที่เรามีสุขภาพดีนี้เนี่ยเราจะขวนขวายความดีเข้าหาบัญชีของเรามากน้อยแค่ไหนนั่นก็ขึ้นอยู่กับเราแล้ว เหลือที่ว่าเราจะเลือกหรือเราจะไม่เลือกถ้าเราเลือกอันทมดีละถือว่าช่วงนี้นะครับเมื่อมันมีวิกฤตมันก็มีโอกาสขอให้วิกฤตครั้งนี้กลายเป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าใกล้ชดอิตเลามากขึ้นขอให้วิกฤตครั้งนี้กลายเป็นโอกาสที่เราจะได้ตรวจสอบตัวเองมากขึ้นขอให้วิกฤตครั้งนี้นะครับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีมากยิ่งขึ้นได้กลับกลายจากสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดี สถานเลิงลมทั้งหลายความไม่ดีทั้งหลายถูกปิดตัวลงบิดอาต่างๆที่มีการรวมตัวกันผู้คนได้มารวมตัวกันทํามันถูกหยุดลงนะครับขอให้เราได้ข้อคิดฮุ่นซอนบินละคิดดีกับอัลลอฮ์สุมาต์อัลาให้มากๆและอินชาอัลลอฮ์ชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขถ้าเราคิดดีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะประทานความดีอันมากมายให้กับเราแต่ถ้าเรานะครับคิดร้ายกับอัลลอฮ์ชีวิตของเราจะไม่มีความสุขไม่พอชัยตอนก็จะเข้ามาแทรกและชัยตอนเมื่อชัยตอนเข้ามาแทรก ก็จะเข้ามาแทรกในวิธีคิดต่างๆทําให้เราคิดลบกับทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งนําไปสู่การทําอิตธิกรรมนําไปสู่การทําชีริกนําไปสู่การฆ่าตัวตายนําไปสู่ความวิตกกังวลจนนําไปสู่โรคซึมเศร้าและผลร้ายต่างๆที่ตามมาดังนั้นพี่น้องครับคิดดีกับอัลล็อคนะครับอยู่ในทุกเรื่องเราทั้งในสภาวะที่ดีหรือในสภาวะแห่งบททดสอบขอให้เราคิดดีกับอัลล็อคไว้ก่อนและเราจะได้รับแต่ความดีงามนะครับ อย่าลืมดูอานะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องที่รักทุกท่านอย่าลืมดูอาเช้าเย็นนะครับขอให้ดูอาขอให้เราปลอดภัยสําหรับบุคคลที่ออกจากบ้านนะครับก็ <c oughs> ขอให้ปกป้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยกับดูอาของอัลลอฮ์แล้วก็ขอให้ทุกคนในบ้านนะครับทุกคนในบ้านของทุกท่านุกญาพี่น้องของทุกท่านและตัวงพวกท่านได้รับความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ <c oughs> แล้วก็ มันเรียนรู้ศาสนาของลอตทำอิบะดาตอลอให้มากๆนะครับวันนี้ก็ขอจากลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับอินชอรอไว้พบกันใหม่ในคาบต่อๆไปคิดว่าช่วงนี้ก็คงจะสอนกันด้วยกับการไลฟ์สดไปเรื่อยๆนะครับก็ขอจากลอสุนฮัมตลานะครับให้เราอยู่ในความดีงามในทุกสภาวการวบนลษัทอัฟิกวันฮ ah. ิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบรกาตุ